ทนี้ขยายละเอียดเลยเนะไปเข้าภาค พ, พิสดารในจตุปาริสุทธิสินวิสุทธิมัสศีลนิเทศเนี่ยขยายจตุปาริสุทธิสินมากที่สุดส่วนศินอื่นๆเช่นจารีศิลวารีศิน อ, อาภิสมาจาร์อาภิพรหมจารย์นเป็นต้นเนี่ยขยายไม่มากนะแต่เฉพาะจตุปาริสุทิสินเนี่ยขยายละเอียดต่อไปนี้เป็นวินิจฉัยคถา คำว่าวินิจฉัยกถาเนี่ยนะคือกรถาที่นํามาซึ่งข้อวินิจฉัยอันขจัดความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องศีเนี่ยนะมาวินิจฉัยเลยเออะพั้นช่วงไหนที่สงสัยช่วงไหนที่เข้าใจไม่เพียงพอเป็นต้นเนี่ยกระถาว่าด้วยการวินิจฉัยตัดความสงสัยตัดความเคลือบแคลงเหล่านั้นออกไปทั้งหมดก็เลยเรียกว่าวินิจัยกถาตัดความสงสัยออกไปพร้อมกับคําพันณนาไปตามลําดับบท จำเดิมแต่ต้นในศีลสีส่อย่างมีปาติโมขัสังวรศีลเป็นต้นบทว่าอิท่อิท่เนี่ยนะอิท่แปลว่าในาพระศาสนานี้อิท่ศัพท์นี้แปลว่านี้เฉยๆแต่ว่าหลักการแปลต้องโยกอิท่คือในพระศาสนานี้คําว่าภิกษุเนี่ยนะภิกขุหรือภิกษุได้แก่กุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเนี่ยนะเน้นการบวช ด, ด้วยศรัทธา ซึ่งได้ชื่ออย่างนี้เนี่ยนะเพราะเป็นผู้เห็นภายในสังสารวัตเนี่ยนะความหมายของคําว่าพิสูจน์เนี่ยนะคำว่าภิสูุนเี่ยหมายถึงกุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาก็คือเป็นคําว่ากุลบุตรนี่มีสองความหมายกุลบุตรอย่างหนึ่งโดยอาจาระคือเรียกว่าดีโดยมารยาตระกูลไม่ดีแต่ว่าเกิดมาในตระกูลไม่ดีนะแต่ว่ามารยาตีก็เรียกว่ากุลบุตรเหมือนกัน กุลบุตรอีกอย่างหนึ่งก็คือกุลบุตรโดยตระกูลเป็นตระกูลผู้ดีมาบวชขวา่างกันเลยภิกษุผู้เป็นกุลบุตรเนี่ยนะผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะว่าถ้าหากว่าไม่บวช ด, ด้วยศรัทธาที่จะมารักษาปาติโมขะสังวรไม่ได้อันต้องมีศรัทธาจึงจะรักษาปาติโมขะสังวรเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงอธิบายว่ากุลบุตรคือผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาซึ่งได้ชื่ออย่างนี้ นะที่ได้เชื่อว่ากุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้เห็นภายในสังสารวัฏเห็นภายในสังสาระกับวัตตะนะแต่ใช้ให้ศักด์เต็มๆสงส์เห็นภายในสังสาระเห็นภายในขันธธาตุอายตนะที่สืบเนื่องไปเห็นภายในกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏเรียกรวมว่าเห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยนะ นี่ความหมายอย่างที่หนึ่งของคํำว่าภิกษุสองก็บอกว่าเพราะเป็นผู้ทรงผ้าฉีกขาดไปแล้วที่จริงพวกไอ้ผ้าเก่าไอ้ผ้าขาดขาดเนี่ยนะไม่เฉพาะแต่ผ้าภิกษุใช่ไหมที่ใช้ผ้าขาดคือพระพิกษุเนี่ยจะเห็นผ้าเป็นรอยตะเข็บเยอะเลยเนี่ยนะถ้าผ้าไม่ได้เป็นผ้าผืนเดียวกันทั้งหมดจะเป็นผ้าที่มีรอยฉีกฉีกฉีกแล้วมาเย็บใหม่เป็นเรียกว่าเย็บเป็นกระทงเป็นเป็นคันเป็นเป็นคันเป็นกระทงเป็นอะไรเนี่ยนะ มีกระทงเล็กกระทงใหญ่อีกอเขาก็มีวิธีเกี่ยวกับเรื่องเย็บตัดจีวรโดยตรงในจีวรขันทกะจีวรขันธกะธกะล่าวถึงเรื่องการเย็บการตัดจีวรว่าจะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยนะมีวิธีการเพราะว่าผ้านนนี้เป็นแบบอย่างแห่งการตัดจีวรคือพระพิสูจนนั้นท่านใช้ผ้าขาดผ้าคือนึกนึกถึงภาพคนสมัยก่อนนะ สมัยอินเดียโบราณเขาเรียกว่าคาราวาสผูนุ่งห่มผ้าขาวเพราะฉะนั้นคนอินเดียสมัยก่อนจะเอาผ้าขาวมาห่มกันไม่ค่อยเป็นผ้าสีแบบแบบสมัยนี้มากนะกันนะเขาก็จะเป็นผ้าขาวผ้าขาวที่เขาเอามาห่มเนี่ยเป็นผื้นเดียวกันหมดเลยเป็นผื้นขาวผืนใหญ่เลยนะมาหม่มแต่ของพระพิสูจนไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผ้าขาวผื้นเดียวกันมาตัดมาตัดตัดตัดแล้วเย็บก็บอกทํำไมเพื่อกันโจรมาป้นด้วยอย่างนึ่งกันก็บอกว่าถึงเอามายอ้อเอาเย็บมาขัดเป็นผ้าขาดมาเย็บ แล้วยังเอาไปย้อมน้ําฝาดด้วยนะไปย้อมน้ําฝาดก็คือย้อมน้ําที่เกิดจากเปลือกไม้จากใบไม้จากใบใสเป็นต้นเนี่ยนะเอามาต้มแล้วก็ย้อมอันจีวรของพระภิกษุสมัยโบราณเนี่ยสีไม่ได้เหมือนกันหมดเลยจีวรของพระหากระสป่าบอกสีเหมือนเมฆ ส, สีไม่ใช่เมฆใสๆนะเมฆแบบเมฆครึมๆอะ่ะคลายๆแบบนั้นสีบางองค์ก็เหมือนกับยอดใสสีจีวรของแต่ละองค์จะไม่เหมือนกัน เพราะว่าวัตถุดิบตามที่จะมีได้พระสมัยนั้นเป็นเบินหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะไปหาแก่นขนุนที่ไหนมาย้อมอ่ะนะมหมดแน่ขนุน ท, ทั้งบางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้สีเดียวกันหมดแล้วก็ไม่ได้มีโรงงานผลิตสีด้วยเพราะฉะนั้นใครหาอะไรได้พอมาต้มย้อมได้ก็เอาอันนั้นแหละมาย้อมใช่นหะเพียงแต่ว่าห้ามดำปีดำสนิทเลยไม่ได้หรือว่าห้ามสีเหลืองอ้ขอมิ้นมาย้อมเนี่ยไม่ได้เาก็มีสี สีที่ห้ามอยู่เหมือนกันเห็นไหมหันสีที่เหลือใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสีจะไม่เหมือนกันบางองค์เนี่ยโหผ้าเก่าค้ำค่าเลยว่างมีผ้าละหันองค์หนึ่งนะจีวรของท่านตีเป็นมูลค่าบาทเดียวท่านสันโดษมากผ้าละหันองค์หนึ่งนั่ น, นเป็นระดับชั้นสูงเลยนะโหจีวรของท่านประมูลราคาและบาทเดียวเท่า น, น, นั้นนไหมอ่าแดงแดงแดงล้วนแดงเป็นสีเลือดไม่ได้นะต้องแต่แดงแดงอมอย่างอื่นอาจได้ แดงรุนรุนสดสดเลยเนี่ยไม่ได้นี่นะหลากหลายสียสเพราะฉะนั้นไอ้แก่นที่ไม่ให้มาย้อมจีวรก็คือแก่นฝางฝางกับแกและนะไม่ให้มาต้มเพราะว่าถ้าหากว่าเอาฝางเอาแกแลมาย้อมผ้าเนี่ยผ้าจะดูงามากอันนี้ไม่ให้ย้อมเลยเพรา ะ, ะนั้นพระเลยอดเลยฝางกับแกแลอย่างนั้น แต่พอสมัยนี้เข้าจริงๆไม่อยากเลยจีวรเนี่ยอุย้ยกองพนเรนเดินทึกเจานะ้าหน้าที่คลังหนักใจที่สุดมันจะทํายังไงกับจีวรดีนะ <c oughs> ใ, นใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลจีวรเนี่ยรู้สึกมันเป็นภาระเหลือเกินเพราะฉะนั้นไอ้บางคนก็เอาผ้าแบบบางแยบเลยไปไปถวายภ้าอย่างเงี้ยนะก็ราคามันพอได้ศรัท ธ, ธาพอมีก็บรรมผ้าก็ไม่ขาใช้ก็เก็บไว เก็เก็บเก็บก็บเก็บโน้นนะ่จนกว่าแมลงสาบพวกหนูมันจะไปกัดเออดูเก่าแล้วนะทิ้งได้แล้วไม่มีใครว่าเออทิ้งหน่อยเป็นช่งชวงๆไปแบบนี้แหละนะอาจจะไปขย้ําขย้ําขย้ําโคลกับดินเหนียวเพื่อมาทํากุฏิมันก็ไม่ใช่สมัยแบบนั้นแล้วกุฏิมีแต่ก่ออิดทั้งนั้นเลยนะมันก็เลยมีความเป็นอยู่อะไรที่ค่อนข้างแตกต่างจากสมัยก่อนมากเพราะนั้นคําว่าทําไมท่านจึงเน้นเหลือกเกินว่าถ้าภิกสุเนี่ยนะบวชแบบผ้าฉีก เพราะให้เห็นว่าคนที่มีผ้าฉีกผ้าขาดเนี่ยนะที่เป็นยาจกวณิพกพเนจรก็มีที่เป็นแบบนั้นนะ่ะแต่ว่าผู้ที่มาบวชเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะไม่ได้มาทำตัวแบบคนแบบนั้นแต่เพราะเห็นภายในสังสารวัตรเลยมาใช้ผ้าแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าการใช้ผ้าเหล่านี้ก็นับว่ามีโทษน้อยเนี่ยนะโจรก็ไม่ปล้นายิ่งสมัยก่อนเนี่นะโอ้จีวรนี่ก็ยัง โจเนี่ยมาชิงชีวรชิงอะไรด้วยนะสมัยผ้าอดอยากสมัยที่ไม่มีโรงงานทอผ้าแบบสมัยนี้นะคำว่าพิสูจเนี่ยนะพิสูจผู้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกเนี่ยนะะคำว่าปาติโมกนั้นได้แก่ศิกคาบทศีลก็คือศีลที่เป็นพระบัญญัติด้วยอํานาจจารีศีลและวารีศีนฉะนั้นปาติโมกขสังวรเนี่ยแบ่งเป็นจารีตกับวารีต สรุปแล้วนะจารีตกวารีดนั่นแหละเชื่อว่าปาติโมกขสังวรศีนที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นเน mm ี่ยนะจริงอยู่บุคคลใดย่อมคุ้มครองคือย่อมรักษาซึ่งศีนนั้นคือศีลที่ที่เป็นศิกขาบทบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นเน mm ี hmm. ่ยนะศีนนั้นย่อมทําบุคคลนั้นให้พ้นคือให้เปลื้องจากทุกข์ทั้งหลายมีอบายจทุกข์เป็นต้นผู้ใดมีศรัทธา สมาทานประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วนั้นเนี่ยนะจะทำให้เขาเหล่านั้นพ้นจากอบายพ้นจากนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนะถ้าหากว่าเขาสมาทานประพฤติปฏิบัติมีคาว่าเป็นต้นใช่ไหมถ้าว่าต้นนีแสดงว่ามีปลายต่อไปอีกให้พ้นจากอบายและแสดงว่าถ้ารักษาปฏิโมกศีนเนี่ยนะทให้พ้นจากอะไรอีกบ้าง ทำให้พ้นจากวัตถุทุกได้ทําให้พ้นจากสังสาระได้นะแต่ว่าศีลอย่างเดียวทําให้พ้นไม่ได้นะศีลที่จะทําให้พ้นจากสังสาระได้นันศีลที่เกิดร่วมกับอริยมรรคนั่นแหละแต่ว่าปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเขาบอกว่าในบรรดากุศลละศีลทั้งหลายเนี่ยนะปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยเป็นกุศลที่สูงสุดเขาวางัน สูงเหมือนเขาสิเนรุอะเมื่อเทียบไปย่างอื่นเนี่ยนะเขาสิเนรุเนีย่ยสูงมากโอ้สองแสนสี่มืนยอเนี่ยนะนับสูงมาก น, นะว่เาเมื่อเขาสิเนรุสูงแบบนี้เขาบอกว่าในบรรดาโลกศีลทั้งหมดเนี่ยนะปาติโมฆะสังวรเนี่ยสูงแบบนั้นเขาว่างถ้ารักษาได้บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือว่าปาติโมฆขสังวรศีลเนี่ยนะเขาบอกว่ามีเดชมีอํานาจเหมือนกับแสงสว่างแห่ง ดวงอาทิตย์เันแสงสว่างที่ที่บรรดาแสงสว่างทั้งหลายเนี่ยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนับว่าเป็นสว่างมากเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาสิกขาบทบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้นั้นจะทาให้เขาพ้นจากอบายทุกข์ทำให้เขาเนี่ยพ้นจากทุกข์ในสังสาระในสังสาระเป็นต้นได้เพราะเหตุนั้นสีนั้นจึงเรียกว่าปาติโมก นะก็ไปดูทบทวนปาติโมกเมื่อเรียนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะก็จะเห็นความสําคัญของคําว่าปาติโมกทั้งหมดทําให้พวกปาตีทั้งหลายผลจากอบายทุกขติวินิบาตปาตีใครนาะปาตีอาตมานี่แหละปาตีต่อไปนะเขาบอกว่าเครื่องป้องกันชื่อว่าสังวรเช่นเครื่องป้องกันห้องเรียกอะไรเครื่องป้องกันบ้านเรียกว่าอะไร ประตูสินะอ่างห้องห้องเราเนี่ยนะเครื่องป้องกันน่ะก็ประตูนะเปิดปิดได้มันป้องกันได้ใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ปาติโมกขสังวรศีนเนี่ยนะเหมือนประตูเปิดปิดอินทรีย์สังวร น, นี่เหมือนเลยเหมือนรั้วเขาบอกกันสำคัญมากอินทรียสังวรเ น, นี่เหมือนรั้วรอบนอกอนะปาติโมกก็เหมือนกับศีนรอบรอบในอะ่ะเพราะถ้าอินรีย์สังวรไม่ได้นะปาติโมกก็ไม่อยู่ พอรั้วรอบนอกก็นับว่าสําคัญไอประตูบ้านในเปิดปิดก็สําคัญบ้านไหนที่มีประตูไม่มีรั้วนี่ก็แหม่ยากที่จะดูแลได้เหมือนกันนะบ้านที่มีรั้วอย่างเดียวไม่มีประตูข้างในก็อาจจะพอได้ถ้ารั้วมิดชิดจริงๆก็ประตูข้างในแทบไม่ต้องทําเลยเพราะฉะนั้นรั้วนี่นับว่าสําคัญมากคุณภาพของรั้วดีขนาดไหนก็ประตูข้างในก็จะมั่นคงขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอเครื่องปิดป้องกันนี่ชื่อว่าสังบอน คำว่าสังวรนี้เป็นชื่อของความไม่ก้าวล่วงทางกายและทางวาจาคำว่าสังวรหรือสำรวมจริงๆก็คือกายวาจาไม่ล่วงละเมิดนะก็คือไม่เป็นอาบัติทางกายไม่เป็นอาบัติทางวาจาท้าพระพิสูจนะถ้าท่านเรียนพระวินัยปิฎกมากว้างขวางเนี่ยใช้คำแค่นี้เนี่ยสบายและก็บอกว่าคำว่าสังวรเนี่ยนะก็คือไม่เป็นอาบัติทางกายและทางวาจา ใช้กายกรรมยังไงไม่ให้เป็นอบัติใช้วิจีกรรมยังไงไม่ให้เป็นอบัตินั่นแหละเรียกว่าท่านสังวอแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันจะต้องรู้อบัติเลยนะรู้จักว่าอะไรเป็นอบัติอะไรเป็นอนาบัติอะไรเป็นอาบัติหนักอะไรเป็นอบัติเบาอะไรเป็นอบัติแก้ไขอะไรได้อะไรเป็นอบัติแก้ไขไม่ได้อบัติไหนที่จะต้องแสดงด้วยที่จะต้องแสดงอบัติไหนที่จะต้องอยู่ปริวาสเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องแยกแยะออกได้ทั้งหมด สังวรคือปาติโมกเชื่อว่าปาติโมกขสังวรภิกษุสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรนั้นเชื่อว่าปาติโมกขสังวระสังวุโตเนี่ยนะปาติโมกขสังวรบวกสังวุโตสังวุโตเนี่ยเราแปลว่าสำรวมสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรความว่าเข้าถึงคือถึงพร้อมทำปาติโมกอันนี้ให้บริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่าถึงพร้อมท่านอธิบายว่ามีกาย ยทวาลและวจีทวารอันปิดแล้วด้วยปาติโมขสังวรศีลก็เพราะผู้ที่เป็นอย่างนั้นย่อมชื่อว่าเข้าถึงแล้วซึ่งปาติโมขสังวรศีลและชื่อว่ามีความพร้อมเพียงด้วยปาติโมขสังวรศีล น, นั้นดังนี้นะอันนี้อธิบายคำว่าสํารวมด้วยความสํารวมในพระปาติโมวิหารตินี่แปลว่าอยู่คือเป็นไปอยู่ ความหมายของคำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นต้นเนี่ยนะบัณดิตพึงทราบตามนัยะที่มาในบาลีนั่นเองพระบาลีในที่นี้เป็นชื่อของบาลีในคำพีวิพังเนี่ยนะคำว่าพระบาลีนั่นเองเนี่ยนะวงเล็บไปหน่อยว่าคำพีวิพังชื่อว่าชาณวิพังวิพังนี้ฉบับ91เล่มนี้มีอยู่สองสองเล่มอยู่ในเล่มที่สอง อยู่ในภาคสองเาเรียกว่าชานวิพังชานวิพังเนี่ยนะกล่าวถึงลําดับขั้นตอนของพระภิกษุที่จะเจริญฌานนะในชานวิพังกล่าวไว้ละเอียดดันั้นข้อความที่จะพูดต่อไปเนี่ยคัดมาจากคัมภีร์ชานวิพังวิสุทธิมัคข้อความตรงนี้คัดมาจากพระพิธรรมอย่านะัชื่อว่าชานวิพังเป็นภาคสองวิพังทั้งหมดมี18วิพังวิพังนี่แปลว่าการจําแนก ขันทวิพังธาตวิพังอายตนาวิพังสัจจวิพังอินทรียวิพังปัจจยากาลวิพังเป็นต้นนะนะสติปทานวิพังสมมัิปทานวิพังแล้วก็ฌานวิพังก็อยู่ในหนึ่งใน18วิพังจริงอยู่ตัดไว้ว่านะไม่ต้องดูในวิพังดูในนี้ก็ได้เพราะอันนี้คัดลอกมาจากวิพังเลยว่างั้นพระพุทธโคสาจารย์ท่านลอกมาเลยพ่ออะไรเพราะท่านทรงพระทัยิดกอยู่แล้วมันสบายมากอ้างเองเนี่ยเป๊ะๆหมดเ่ย คำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระอาจาระคือมันญาตินะส่วนใหญ่ก็แปลว่ามันญาติและโคจระแปลว่าที่เที่ยวโคจรความว่าอาจาระมีอยู่อนาจาระมีอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรทีนี้เรื่องอาจาระมาขยายเป็นอาจาระและอนาจาระอาจาระก็คือมรนญาติกับทัททับศัพท์นี่นะอนาจาร์เนี่ยฟังคำว่าอนาจาร์ของเราอาจจะคุ้นเคยดีนะอา อาจาระก็คืออาจารย์กับอนาจารจะสองคำเนี่ยที่นี้จะอธิบายในคำว่าอาจาระและอนาจาระอาจารย์หรืออนาจาร์เนี่ยเป็นอย่างไรก็ถามว่าอนาจาร์นี่เป็นฉไหนเขบอกว่าตรงนี้เป็นนัยยะแห่งการขยายว่าในทั้งอาจาระและอนาจาระนั้นท่านยกเอาอนาจาระหรืออนาจาร์นี่ขึ้นมาอธิบายก่อน เหมือนกับบุคคลผู้รู้ทางอย่างดีเวลาเขาชี้ทางให้คนเดินทางเนี่ยนะชั้นต้นเลยเขาจะชี้ทางที่ผิดก่อนชี้ให้บอกว่านี้ทางผิดนะทางซ้ายคุณไปไม่ถูกนะคุณไปผิดคุณจงหลีกเลี่ยงการเดินทางซ้ายนะแล้วคุณไปในทางขวาะ น, นะเขาจะพูดถูกทีหลังอันนี้หลักการขยายคำพีก็ลักษณะนี้เขาจะแยกมาก่อนว่าดำกับเขาเขาจะพูดดำก่อน แล้วก็จะมาะพูดดําให้เห็นก่อนแล้วก็จะที่บายขาวทีหลังหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะประดับแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ทำไงก่อนเขาว่าชําระชะล้างอาบน้ําเป็นต้นให้เรียบร้อยก่อนค่อยแต่งตัวเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะพูดในในส่วนที่ชําระไอ้ส่วนที่ไม่ดีออกก่อนแล้วก็จะพูดถึงส่วนที่ดีพูดถึงบาปประธรรมก่อนแล้วค่อยพูดถึงกัลยาณธรรมนะ ท, นท่านอธิบายว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตั้งตั้งเป็นคำถามเพื่อจะตอบเองว่าอนาจาระเป็นไนะตอบว่าได้แก่ความล่วงทางกายคำว่าล่วงทางกายนั้นก็คือล่วงกายทุจริตออกมาการทำกายทุจริตนี้ชื่อว่าการล่วงทางเรียกว่าวีติกมามะนะละเมิดมาทางกายก็คือทำกายทุจริตออกมาความก้าวล่วงทางวาจาก็คือการทำวัจีทุจริตเปล่งวาจาด้วยอนาจวจีทุจริต และความก้าวล่วงทั้งทางกายและทางวาจาคือล่วงละเมิดในทุจริตทั้งสองอย่างทั้งกายทุจริตวจีทุจริตนี้เรียกว่าอนาจาระอย่างนี้เรียกว่าอนาจาร์ขณะที่คนทําชั่วทางกายทางวาจาเมื่อไหร่ชื่อว่าอนาจาร์เมื่อนั้นชื่อว่าอนาจาระเมื่อนั้นความละเมิดมีอาชีพเป็นต้นก็ยังอยู่ในประเภทอนาจาร์เห็นไหมการก้าวล่วงทางกายการก้าวล่วงทางวาจาก้าวล่วงทางทางกายทางวาจานี้เป็นชื่อของ การก้าวล่วงอาชีวธรรมตกระสีลเนี่ย น, นะการก้าวล่วงอาชีวธรรมตกระสีนศีลมีอาชีพเป็นที่แปดอาีลมีอาชีพเป็นที่8นั่นก็คือกาย 3, าธุจริษ3ามวจีทุจริต4อาชีพเป็นข้อที่8ถามว่าอาชีพที่ที่เป็นอาชีพวิบัติคืออาชีพอย่างไรอาชีพที่ล่วงกายธุจริษสอาชีพที่ทำวจีทุจริษส อาชีพแบบนี้เรียกว่าอาชีววิบัติเนีย่ยนะอาชีพวิบัติเพราะอาชีพอ น, นั้นเกิดจากทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอนาจาระทางกายทางวาจาและอาชีพส่วนความเป็นผู้ทุศีลเมทั้งหมดชื่อว่าอนาจาระเหมือนกันเนีย่ยนะอนาจาระทางใจนะดีกาท่านอธิบายว่าอนาจาระทางใจคือความทุศีลทุกอย่างชื่อว่าอนาจารอนาณาจาร์อันนี้แต่เป็นอนาจาระทางใจ นั้นคำว่าอนาจาระเหล่านี้เนี่ยนะล่วงอนาจาร์เหล่านี้แสดงว่าขณะนั้นไม่ใช่เจตนาศีลไม่ใช่เจตสิกศีลไม่ใช่สังวรศีลและไม่ใช่อวีติกมะศีลแบบนี้มีโทษใช่ไหมถ้ามีโทษนี้อยู่แค่นั้นไหมมีโทษนี้ให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยอกุศลเนี่ยเมื่อเขาเกิดขึ้นนะเขามีโทษในตัวของเขาเองชั้นต้นเขาทําลายกุศลทั้งหมดก่อนแล้วก็ เพรา อ, อุปนิสัยไอตราบาปอันนั้นด้วยและเจตนาที่เกิดร่วมกับอกุศลเหล่านั้นให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอนาจาระหรือก็เป็นประเภทอกุศลทั้งหลายนั่นเองศ <c oughs> ีนเนี่ยพระเจ้าประตทีิโกศลถามพระพุทธเจ้าว่าศีนจะรู้ได้ยังไงศีนเบอกอยู่ร่วมกันนานๆ น, น, นะแล้วก็บอกคนมีปัญญานะคนรู้มีปัญญาแยกว่าอะไรเป็นศีลไม่ใช่ศีนออกแล้วนะเพราะไม่งั้นถ้า ฉลาดเท่าไม่มีความฉลาดเลยอยู่กับคนมีศีลก็ไม่รู้อีกนั่นแหละอยู่กับคนทุศีลก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าใครมีศีลไม่มีศีลถ้าจิตเป็นอากุศลเมื่อไรล่วงมาทางกายกรรมไม่ใช่ศีลแน่นอนล่วงมาทางวจีกรรมก็ไม่ใช่ศีลเออวันนี้ก็เพอ้อเจอก่อนหลายคำอยู่เหมือนกันอ้าว็พูดเพอ้อเจอเมื่อไรก็เป็นแล้วะนะวันนี้ก็หมดเวลาลวนะเนาะ คำว่าอาชีวะรปริสุทธิ์ศีลของทางาปัญญาชนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่กุหนากกลวงพูดยกย อ, อความเป็นผู้กระทำนิมิตความเป็นผู้พูดบิดบังครับและความปรารถนาจะได้ลาบอันนี้ของทางคารวาดก็ อ, อยู่ในเรื่องนี้เข้าเรื่องนี้ได้เหมือนกันใช่ปะครับ คือเกี่ยวกับเรื่องคารวาสนั้นอย่างเช่นคือพระองค์ไม่ได้บัญญัติลงไปในลักษณะนี้เลยนะแต่ก็อย่างเช่นถ้าหลอกลวงมันก็ไม่ดีแล้วละ่ะอาชีพที่ได้มาอย่างเช่น18มงกุฎทั้งหลายแหละนี้ก็ไม่ไม่ดีแล้วนะถ้าลักษณะนั้นเนี่ยนะไม่ไม่ได้มาโดยชอบธรำก็ที่จริงนั้นถ้าหากว่าสามัญจะสานึกดีๆเนี่ยนะเราน่าจะรู้นะว่าเราทําสิ่งนั้นนะชอบทําหรือไม่ชอบทำในในส่วนของคารวาสทั่วไปเนี่ยนะ ขอมาเชื่อว่าน่าจะรู้แก่ใจอยู่เหมือนกันนะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะชอบทำหรือไม่ชอบทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าที่เขาพูดกันว่าผู้ที่มีอาชีพไม่บริสุทธิ์เช่นค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายอาวุธหรือว่าค้าขายพวกยาเสพติดนี้เป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้อง พระองค์แสดงว่าเป็นอาชีพที่พุทธมามก ะ, ะไม่ควรทำเนี่ยนะคืออาชีพเช่นค้าค้าน้าเมาเนี่ยนะค้าน้าเมาเนี่ยคือถามว่าอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่พุทธบริษัทไม่ควรทําถามว่าทําไมไม่ควรทําเราส่งเสริมเขาบอกว่าการดื่มสุรามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดเราก็ส่งเสริมคนประเภทนี้เอาไว้ เออนานๆเข้าไม่แน่นันพ่อแม่บางคนก็เลยเลี้ยงแต่ลูกประเภทนี้นะดูแลทั้งชาติเลยนะเพราะส่งเสริมไว้นี่เพราะนั้นมันจะมีกรรมพันธักเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมแล้วก็คือค้าค้าขายสัตว์ให้เขาไปฆ่าไปอะไรเป็นต้นอันนี้ก็ก็ไม่ไม่ดีเนยนะเพราะว่ามันจะไปมันมันมีส่วนแห่งบาปเหล่านั้นด้วยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะพระองค์ใช้คําว่าเป็นอาชีพที่บริสุทธ์ เป็นอาชีพที่พุทธบริษัทไม่ควรทำนะนะเพราะว่าแต่อาชีพเหล่านั้นถามว่าล่วงอกุศนกรรมบทไหมเป็นอาชีพที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตไหมบางอย่างก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสายกรรมสายขนงอื่นอีกพระองค์ก็ป้องกันเอาไว้เจนนี่